95. อนาปฏิปั น, นรัสกะว่าด้วยการทำอุโบสถโดยไม่ต้องอวบสิบห้ากรณีข้อ 172. สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้น ไม่รู้ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัยยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงได้ทําอโบสถยกปาฏิโมกขึ้นแสดงเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังยกปาฏิโมกขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวัตแห่งหนึ่งในวันโอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตหลายรูปแต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรม เป็นวินยัยยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเครียงทำบูโบสถยกปาทิโมขึ้นแสดงเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังยกปาทิโมขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงยกปาทิโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอาบัตวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีในอาวาสแห่งหนึ่ง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 ภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาติโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงฟังโอเทศที่เหลือพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอบัตวงเล็บสองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้น มีภิกษุที่อยู่ในวาดหลายรูปแต่ประชุมกัน4รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยอย่างแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงธรรมอุโบสถยกปาฏิโมขึ้นแสดงเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังยกปาฏิโมขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงในวันอุโบสถ นั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในาวาดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในาวาดหลายรูปแต่ประชุมกัน4ี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในาวาดพวก อ, อื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัยอย่างแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงทํำอุโบสถยกปาติโมขึ้นแสดง พอภิกษุเหล่านั้นยกปาธิโมขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่มีอยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นเพิ่งยกปาธิโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอบัติวงเล็บ4ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน4รูปบ้างเกินกว่าบ้าง ภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวัตพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัยยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงทำบุโบสถยกปาติโมกขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาตพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาติโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นมาแสดง เป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงบอกปาริสิทธิในสมรภ์ของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้อนบัตรวงเลิภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวัดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในวาดหลายรูปแต่ประชุมกันสีรูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ ภิกษุเหล่านั้นมีความสำคัญว่าเป็นรรมเป็นวินัยย่างแบ่งพวกกันอยู่แต่สำคัญว่าเป็นพวกพร้อมเปลีย่ยนท่ามูโบสถยกปาติโมขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าปาติโมที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันแสดงดีแล้ว พวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งบอกปาริสิทธิในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องรับาวงเล็บหภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวาดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอวาดหลายรูปแต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาภิกษุเหล่านั้นมีความสำคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินยัย ยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงทำบูโบสดยกปาติโมขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมขึ้นแสดงจบบริษัทยังไม่ทัะลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงยกปาติโมขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอบัติวงเล็บเจภิกษุทั้งหลาย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 ยกปาติโมกขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงจบบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาติโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งบอกปาริสติในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอาบัติวงเล็บข้อที่แป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 พอภิกษุเหล่านั้นยกปาธิโมกขึ้นแสดงจบบริษัทยังไม่ทะลุขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าปาธิโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นฐานยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งบอกปาริสมกที่ในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอบัติวงเล็บ9ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่ง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 พึงบอกปาริษ์ที่ในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอบัตวงเล็บ12ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตหลายรูปแต่ประชุมกันสีรูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาัตผอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสำคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัย ยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงทำอุโบสถยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงพอภิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงจบบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอบัติลงเล็บสิบสาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้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 ภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาธิโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุพวกมาทีหลังเพิ่งบอกปาริสิทธิในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอะบาดวงเล็บ14ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้น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 ภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าปาติโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงบอกปาริสธิในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงไม่ต้องอบัตวงเล็บข้อ15ธหานาปฏิปนารสกบจบ